มือนีวันที่16มิถุนายนสองพันห้รอยีสิบเก้ามนีการแจกทุนแจกทุ้นนักเลียนเป็นทุ้นของโนมิพิมิโระนั่งสีท่าพี่บรรยาจาร์เวลากประมาณจะเที่ยงห า, บายบมงเนี่ยและเริ่ม เือว่ากลาว่านักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมกันประมาณจะใส่เสื้เชียงสามารกินเผาขี่ไม่ก้กินเผาวเว้นแล้วเท่านั้นซึ่นผู้บ่าจายนผู้เพลินพาม า, นะาเช่นฮา้าเจอร์แนี้ผู้ปกครองพ่อแม่มานำ้ำไม่เสียถ้ากันกินเผาแล้วแล้วตอนกินเผาเว้นกินเผาเภ้แล้วเท่านั้น พี่ๆเี๋ เ, เริ่มแจกทุ้นผมมันจจกใ บ, บายโม่งนี่แหละตุน้นที่ลหลวงพ่ไให้เนี่ยเป็นทุ่นสำหรับนักเรียนในสื่นที่จังหวัดหนองคายแต่ก่อนนี่ก็บอไ์ใดให้กวางก็มีดอกมุสมเงื่อนเยาวัานนี้ได้ให้ในในช่วงนี่แหละในอำเภอทีเ้ียงไนอำเภอสังคมอาเภอ เนี่ยรอบ น, นี้นะแต่มาระยะหลังเนี่ไงอที่มีสะุสนสะดางได้แค่น้อยเันมากก็พ้อแพไปบันเนี่ยแพไปเมิดอตัวจังหวัดเนี่ยไปรุ่นสำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐานขั้นต้ น, นมีชั้นะสมขั้นมัธยมต้นมัธยมปลายแต่เนื่องจากว่า เรื่องการเงินของเขา้าสถาวัตยการเงินของมุลนิธิซึ่งไม่กระคืบนี่นก็ บ, นก บ, บานกับเมนิดมาผีกายนี้กีนกายนี่สถานาการเงินบ ด, ดีแงงต่เลยงดงดขึ้นระดับมัธยมปลายนูนกะเหลือแต่ามัธยมปลายเป็นทุ่นต่อเนื่งตัวเหนึ่งเนี่ออยพอสิจบแม้คำว่ามัธยมปลายนะโมดลรับไหมเหลือแต่ามัธยมต้นคับ กันประสมที่นี่ร่วมตั้งมัดแล้วนะที่จ่ายทุนไปสองลอยนี่สิบสี่ทุนนี่สองนยนี้สิบีนอก็นี่ผู้ใจบุญใจผู้สนนี่สัทธามาร่วมตั้งทุนน้ำดีอยู่ในนี้หละอยู่ในสองอยีสิบสี่ทุนนี่ลหละเ ส, ะสียสละทรัพย์ สมบัติของเงินท้องมาตั้งถึงทุนนำ้ำเพลนให้การศึกษาแก่ลูกแก่เจ้าแก่เล็กหน่อยเล็กๆสองสาเจ้าอยู่อันนี้การให้ทุนมันมันเป็นการให้โอกาสแก่คนตัวเกิดมากนี่ฮะลังคนเกิดมากคือเนียนดีอยู่ตั้งอกตั้งใจอยู่อันบริอะไรโอกาสบริอะไรโอกาสน้ามูกลาเป็นแต่ลิศตน้นกเป็นแต่เสียดาย ถ้าเล่าแต่เงี้ยเล่าแต่ที่มีโอกาสเป็นพลเมืองดีของประเทศศาสตร์ถูกไหมห น, ะะนี่แหะเพรัะฉะันเห็นผู้มาให้ทุนรวมมาร่วมให้ทุนจ่เป็นผู้ใดบุญหลายน่ะเนี่ยเป็นซอยคนให้คนมีโอกาสโอกาสดีๆนี่อยู่เลยจะเล่าแต่เลยได้โอกาสย่อนห้องเนี่ยเป็นผู้ใดบุญหลายเนี่ยอนุโมทนาจำเนี่ยที่นี่ ร่วมทั้งหมดลกนะ็มันเป็น2องหยิบีท่ทุนเลยเป็นเงินสามแสนหาหมืนนบาทีท่หละมือนี้นะแต่ยังนี่ใจะจายขาดลดสุทธาเด็กน้อยมาละทุนกระจายอยู่ เ, เ, เด้จังหวเเาเท่ า, ท า, ทาทนี้ไนมะ่มี17คิดเจ็จังหวะด็อันเพอ่มคิดแอันเพิ่ี่แล ใจอย่างนั้นค่ะลดขาลามานุ่เป็นมูลอุปมาไสองมืสามพัน0อย 23, บาทแค่แค่นี้แหล ะ, ะแต่ว่าแต่ละเชือนี่ไใส่ใ จ, ใจหลายอยู่แต่ว่าใส่ใจหลายนี่เป็นการได้บุญได้กุศลดอกแถมอนุโมท น, า, น, า, น, ะะะนาในสันเด้อเราได้ตอนสวยกั้งน้อยมีที่นี่ยมบูปฏิมาตังเลี้ยง ไอ้เล็กน่อยไปกินขาวเว้นเื่องเล็กหน่อยอเร่งคู่ม่านน้ำเลยล่ะเึ่งคูปกครองม่าน้ลล่ะเบี่ยง <c oughs> อาหารแต่ตอนกินเขายิ้มแล้วยิ้มนี้ที่มันแล้วมอยใจดีรับผุ้เาเป็นบุญกินบุญหลายทังทีที่ที่ทผู้สิเอาบุญเนี่ยมันมีอยู่มองใจให้อบุญนีหลายอยู่นี่หละโอกาสทันทีหมอด้วยจะมาต่างด้วยเขาซอยเน่าให้ เขาปลาอาหารกินท่าได้ดุนเพื่อจงคน้นนี่ะหรือเป็นคน้นวิเลยนม่ต้องกินเขากินอาหารกนเทให้อาหารข้าปันให้ีแหลวให้กาลังให้ข้มเป็นแข็งให้ว้มพื้นบานให้ข้มผิดข้มอานห้โอกาสอยู่เป็นค้นต่อไปในสีเหล้วกันเท่าเบ้องรการเบื่องแรข่าวนี่นอย่างนึงเห็นหลายเพูดถึงทุกขีญาต คือในลางช้างประเทศเนี่ยฮู้สุกแน่ที่ยู่ีิกินแล้วมีจนบาดจอยนะนี่จะกระดูกกับหัวโคลนเล่นนิดหน่อยือ้นมองดูพันธิ์ึ้นทอยากมาอะไรมาดนมือคนใดมันจน่าจอยเนอะใช้เกกโโท่าคืด ว, ว่ามือนี่ฮู้บริกนเขาขาบนีขาดนาขึ้นจได้กินอยู่เด็อันมือนี่บริกนมืออ่นจะได้กินอยู่อันนั้นหลยอัดมาจากาจากมือแล้ว แ่ละมือแค่ทีนีเนงเขาใสใส่ปากใส่องเขาขั้นจงขั้เนี่ยจว่าเขาทายหนุ่มมากโอ้ยมันลอยอี๋ลยเนี่ยแสดงว่าซืดอยากมากเนั่นแหละการเนีสั้นหละกานเท่าได้ยอยเทาเดียวแนวนั้นแม่ไคยกินเขาก็นี้อยู่เนี่กินเอาไปให้เขากินที่ได้บุญหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นการในท่านเด้่ยมันมันแน่ดี มันมีโอกาแต่ไท่าน่นท่านเขาฝาอาหารขั่นเครื่องลูงของผมท่านอยู่ท่านยายเขาลริงๆไข่ด้วยไข่ขัน่นเนี่ยเขาสิได้เ่วมฝากคืดยิ่งดีในใจนะเนอกโอ้ยเจอโบตายย้อนคอยเด้อเว้ยสิเด้คือยังใหญ่เนาะมันฟูบมี่มันโบมี่อีหลีเดย้ยางท่าร่าเสือสมบัติโอ้ยมันจี๊ดหยัยากอะไรเสือสมบัติโอ้ยเนี่ยูโบมีมันโบมี่อีีเด้เด้ มันนี่าหญ่ยั ง, ยงเขาเราพอดกลัวๆัวกันเนียเกิดมาในโลกก็บุ่งไถ่อยากตายอะโลกก็เกิดมาบุนเดียวก็เขา้าลัวกันรักษากันในกีลาวิธีเอาบุญมือนี้ก็ประมาณจักรบายโมงนี่นะเขาทีู่กแกกทุนกันหันกลับ ม, มามาซอยมาแน็มานั่มมาเบืองมาอนุโมทนาะห น, านุนเขากับมารเรืองจะได้บุญ